หลายคนมาที่วัดป่าสุกโตก็เพราะปรารถนาความสงบมันทําไมอะไรเป็นสาเหตุให้มาหาความสงบที่ที่นี่ส่วนหนึ่งก็คงเพราะว่าที่นี่มันไกลาจากความอรกทึกวุ่นวายของเมืองไกลาจาก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 ยังไม่ได้พูดถึงเสียงผู้เสียงของผู้คนที่อาจจะพูดให้เราไม่พอใจมาอยู่ป่าแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะต้องเจอกับความไม่สงบเนะพราะเสียงหรือถึงว่าว่าเสียงจะไม่มีอะไรมารบกวนนะแต่ว่ารูปที่เห็น หรือสัมผัสที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนรู้สึกไม่สงบใจได้อย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ก็มีมแมลงแมลงบินมาจะไม่ได้ทำอะไรเราเลยนะแต่เพียงแค่เห็นนี่ก็รู้สึกว่าขัดถูขัดตายิ่งมันมาสัมผัสตัวเราก็จะรู้สึกรบกวน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 ซึ่งบางช่วงก็แน่นขนาดนะก็คือเสียงดังมีเสียงนานาชนิดนะผู้คนอย่างเช่นคนไทยนะเวลาไปเดินรอบประทักศิลนเดินประทักษิลนรอบนะเจดีย์พุทธคยานี่ก็มีการสวนอิติปิโสไปด้วยสวดปากป่าไม่พอก็มีเสียงไมโครโฟนสวดเสร็จก็มามา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 ทำสมาธิคิดว่าในใจเขาก็คงจะไม่ได้วุ่นวายเพราะเสียงเหล่านั้นั้าที่เสียงก็ดังนะแต่ถ้าเกิดว่าลองนึกภาพคนที่ไปนั่งทําสมาธิในตลาดนะริมถนนเสียงดังพอๆกันเนี่ยเชื่อว่าเขาคงจะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ ทำไมเสียงความดังของเสียงก็เท่ากันแต่ว่าอยู่ที่หนึ่งเสียงใจไม่สงบแต่อีกที่หนึ่งใจสงบแนะสดงว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะความดังของเสียงแต่มันเป็นเพราะว่าความรู้สึกของใจหรือว่าปฏิกิริยาของใจที่มีต่อเสียงเหล่านั้นคนที่อยู่พุทธคุยานั่งทําความสงบก็รู้สึกดีกับเสียงที่ดัง ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าเป็นเสียงสดมนเพราะรู้ว่าเป็นเสียงแสดงความเคารพสักการะ บ, บูชาพระตนไตรเขาก็เลยใจเขาก็เลยยอมรับกับเสียงเหล่านั้นได้พอใจยอมรับได้มันก็สงบในทางตรงข้ามนะเมื่อไปอยู่ในกลางตลาดเสียงอุทกจอแจหรืออยู่ริมถนนเสียงรถพลุกพร่าน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 เสียงตำหนิต่อว่าด่าทอเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับใจของเราเองที่ต่อต้านผักใสหรือเปล่าถ้าต่อต้านมันไม่ยอมรับมันก็ทุกนะแต่ถ้ายอมรับมันได้เนี่ยใจก็สงบในสมัยที่หลวงพ่อพุทธานิโยนะท่านยังเป็นพระหนุ่มนะ โดยพาะพุทิท่านเป็นอดีตเจ้าวัดป่าสารวันมรณภาพไปสิบกว่าปีแล้วถ้าเราว่าตอนนี้ท่านยังเป็นพระหนุ่มเคยไปจำปัสสาที่แถวอุบลตัวเมืองวันหนึ่งก็เดินบินทบาตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกชายรอใส่บาทอยู่ท่านก็เดินไปหาเพื่อที่จะรับบาทพอเข้าไปใกล้ๆนี่ ลูกชายวัยห้าขวบตัวเล็กๆก็พูดขึ้นมาว่ามึงบอกแม่นพัดดอกมึงบอกแม่นพระดอกไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระพูดขึ้นมาเลยนะท่านที่ที่ได้ยินนี่ท่านก็ฉุนขึ้นมาเลยนะไม่พอใจแต่ท่านแต่สักพักก็ได้สตินะพอมีสติรู้ว่ากำลังไม่พอใจ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 จะไปคิดว่าไอ้คําต่อว่าเรานั้นเป็นตัวการทําให้เราทุกข์นะแต่เพราะใจของเราที่ไม่ยอมรับลองยอมรับมันสักหน่อยนะเขาว่าอะไรเราก็ยอมเออยอมไม่ต่อต้านไม่ผักสไม่เถียงไม่โต้บางคนไม่โต้ที่ปากนีแต่ว่าใจเนี่ยมันเถียงมันโต้มันแย้งอันนั้นก็ทําให้ว้าวุ่นทําให้ใจว้าวุ่นได้ถึงกับนอนไม่หลับ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 รู้สึกผลักสายต่อตานเนี่ยใจมันจะกลับมาเป็นปกติเป็นกลางและมันจะไม่มีความทุกข์ใจเหลือมันมีแต่ความทุกข์กายหรือถึงมีความทุกข์ใจหลงเหลืออยู่ก็น้อยถ้าพอทุกข์ใจมันลดลงแล้วนี่ไอความทุกข์กายนี้มันก็กลายเป็นเรื่องที่พอรับได้พอไหว แต่ถ้าใจเราต่อต้านนะไม่ชอบนะตบตีโอยตีพายโวยวายความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นความคันเพราะยุงกัดนะหรือว่าเพราะมแมลงมาสัมผัสตัวอันนี้มันทุกข์ใจทันทีเลยเรากลายเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้กระสับกระส่ายขึ้นมาถ้ามันฝึกมาดูใจนะ เวลาเกิดเวทนามันจะปวดที่เท้าก็อย่าเพิ่งเอาใจไปปักถึงที่เท้าที่ปวดที่เมื่อยหรือมือที่คันเพราะว่ายุ่งกัดลองกลับมาดูใจสักหน่อยสิว่ามันรู้สึกอย่างไรกับเวทนาที่เกิดขึ้นมันบนตีโพตีพายไหมมันโวยวายหรือเปล่ามันกลดาข้างในใจั้ยลองรู้ทันมันพอรู้ทันมันก็จะสงบได้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 อาเจียนนอนไม่หลับนะกินไม่ได้สารพัดแต่ว่าคนไข้คนนี้นะพอได้รับใช้การใช้แสงได้รับเคมบบาบัดเคมีบาบัด เ, เนี่ยในปริมาณที่สูงก็กลับมีอาการแพ้่น้อยมาก้คนก็ถามว่าทาไมนะถึงไม่ค่อยมีอาการเหมือนคนอื่นเขา ก็ตอบว่าเนี่ยเวลาได้รับการฉายแสงก็ก็นึกว่ากาลังได้รับแสงทิพต์เวลาได้รับเคมีบำบัดก็เอ่อได้รับแสงสวรรค์นะเวลาได้รับเคมีบำบัดก็นึกว่ากำลังได้รับน้ําทิพต์นะคือพยายามมองให้เป็นบวกซะว่ากาลังได้รับแสงสวรรค์ได้รับเป็นได้รับน้ําทิพต์พอมองแบบนี้ใจก็ไม่ต่อต้านใจก็ยอมรับ ยอมรับทั้งเคมีบําบัดยอมรับทั้งรังสีพอใจยอมรับร่างกายก็ไม่ต่อต้านมีาการต่อต้านนิดหน่อยแนละ้วก็แพ้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเวลาได้รับการฉายแสงได้รับเคมีบําบัด น, น, นี่ก็กลัวพอได้ยินกิตติศัพท์มาว่าเดี๋ยวมันทําให้แพ้โน่นแพ้นี่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 ไม่ได้ทุกข์หรือทุรนทุรายนะไปกับโลกนี้เจอก็พยายามแผ่เ ม, เมตตาให้กับโลกสะเก็ดเงินแผ่เมตตาเหมือนที่เราแผ่เมื่อเมตตาผู้สักครูเนี่ยส่วนใหญ่เราแผ่เมตตาให้กับชีวิตต่างๆแต่ว่าเธอนี่แผ่เมตตาให้กับโรคสะเก็ดเงินะบอกว่าถ้าเธอจะไปพูดกับสะเก็ดเงินนะบอกถ้าเธอจะไปก็เอ า, เอ า, เอาบุญกุศลฉันไปด้วยนะ แต่เธอเธ อ, อยู่เธอต้องระวังนะเพราะยาที่ฉันใช้ยาที่ฉันกินนี่มันแรงมากนั้นเธอก็ใช้เมตตาเนี่ยนะแผ่ให้กับสเก็ตเงินมันจะมันจะมีผลหรือไม่กับสเก็ตเงินก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่คือมันมีผลต่อจิตใจของเธอทำให้ใจเธอไม่ทุกข์ไปกับโรคนี้แล้วก็ช่วยลดความทุกข์กายไปได้ด้วย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 มันก็ไม่ทุกข์เลยแม้กระทั่งความตายนะความตายมันทำให้เราทุกข์ทรมานมากเพียงแค่นึกถึงเพราะว่าใจเรามันผักใสใจเรามันต่อต้านเรากลัวนะความกลัวความกลัวนี่ก็เป็นอาการของใจที่ผักใสต่อต้านนะแต่ถ้าเรายอมรับมันได้ว่าเพราะมองว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานะหรือเพราะมองว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ ใจเราก็เป็นปกติได้แม้ความตายใกล้เข้ามาไม่บานหวไม่สะทกสะท้านยิ่งถ้าเามีปัญญาเห็นชัดเลยนะว่าโอ้สังขารนี้มันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็ทาให้ใจจะรับความตายได้โดยดุษณนะีเหมือนกับลูกจ้างที่ทำงานแล้วก็รอเวลาเลิกงานอันนี้เป็นคำเปรียบเทียงของภาษาบุตรนะ เมื่อวานก็ไปไปเยี่ยมหลวงพ่อคำเขียนที่วัดภูเขาทองท่านก็พูดที่จริงท่านเขียนนะเขียนไว้ประโยคหลนะวงพ่าเนี่ยตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวตายนะสนุกดีนะท่านใช้คาว่าสนุกดีตอนที่ป่วยท่านก็ใช้คําว่าสนุกป่วยที่จริงเตรียมตัวตายที่หลวงพ่อพูดนี่ไม่ได้ไหมายถึงการเตรียมใจนะใจนี่ท่านอ่า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 การเตรียมใจท่านเตรียมใจนานแล้วท่านพร้อมนานแล้วแต่เตรียมก็เตรียมในเรื่องของว่าจะาเรื่องจะจัดพธิธีศพกันอย่างไรนะก็บอกก็สั่งก็แนะนําำท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะกับความตายที่กำลังมาถึงซึ่งอยู่ใกล้ตัวมากอันนี้พราะอะไเพราะว่าพร้อมแล้วนะไม่ปฏิเสธไม่ผักใสแต่คนจำนวนมากแม้จะไกลาจากความตายแต่เพียงแค่คิดถึงแค่นึก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 ตัวโกรธตัวที่2นะที่มันเกิดจากความไม่พอใจในโทสะที่เกิดขึ้นฉพอไม่ไม่เท่าทันในโทสะหรือตัวตัวโกรธตัวที่2ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยความกลัวก็เลยไม่หายสักทีนักปฏิบัติหลายคนก็บ่นว่าทําไมลูกก็โกรธแต่ทําไมความโกรธไม่หายก็เพราะใจมันยังมีความรู้สึกปฏิเสธความโกรธอยากจะกดข่มความโกรธ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 ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับมันแค่ดูเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วต่อไปก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เราโกรธจริงๆนะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เสมือนว่าไม่ใช่เราโกรธนะั้นแต่จริงมันไม่มีเราที่โกรธตั้งแต่แรกนะถ้าเราเห็นอย่างนี้เนะี่ยมันก็ความโกรธไม่ใช่ปัญหามันก็สงบได้สงบได้ท่ามกลางผู้คนท่ามกลางความวุ่นวายก็ถึกจอแจที่อยู่รอบข้าง อันนี้แหละคือความสงบที่ที่พวกเราควรจะมีหรือว่าทำให้ได้อ่ช้าอนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้นะะกลับมาพร้อมกัน